ดีกาธรรมจักกับประวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสิยังวิหรติอิสิ ป, ปตเนมิขทาเยตัตระโคภะควาปัญจวคิเยพิกูอามันเตสิลำดับนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมจักกับประวัตนสูตรสืบต่อไปใจความในพระสูตรนี้พระอนทน์ปฏิยานตนว่า เอตังสุดตังอันว่าพระสูตรนี้ธรรมจักกับวัตนสุดตังชื่อว่าธรรมจักรกับวัตนสูตรเมโมไมยาอันข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าอานนสุดตังหากได้สดับมาภะควะโตสมุ ข, ขาแต่ที่เฉพาะพระพักองคสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเอวังด้วยประการดังนี้ สิ้นคำพระอานุนปฏิญาณแต่เท่านี้จึงดำเนินนิทานวัจนะเบื้องต้นในพระสูตรนี้ว่าเอกังสมยังครั้งหนึ่งพักวาองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสมเด็จพระอิริยาบถประทับแรมน่าอิสิปตนะมรึกขายวันใกล้กันกับพระนครพรารณสีมีพุทธดีการดารดเรียกปัญจวัคคียปิคูททั้งหลายว่า พิกาโวดังนี้ตัตรายังอนุปุภิกถาบัรนี้จะกล่าวให้เป็นลำดับจับเดิมแต่ต้นนั้นมาในพระสูตรนี้ว่าอัมหากังหิสัทธาแท้จริงองค์สมเด็จพระศาสดาหแห่งเราทั้งหลายนั้นในที่สุดสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับนับถอยหลังตั้งแต่พัทกับนี้ไปนั้น พระองค์ได้อุบัติบังเกิดเป็นพรามณกุมารมีนามชื่อว่าสุเมตมานกถึงซึ่งสำเร็จแก่สัพศิลปศาสตร์ครั้นมารดาบิดากระทํากาลกิริยาล่วงไปแล้วจึงบริจาคทานจำนายซั์นับด้วยโกรธเป็นอเนกให้เป็นทานเสร็จสิ้นแล้วออกบรรพชาเป็นดาบทบาเพพรสพรหมจารย์อยู่นับป่าพระหิมพานยังชาและอภิญยาให้บังเกิดแล้ว เมื่อเที่ยวไปโดยทางนภาลัยประเทศอากาศได้ทัศนาการเห็นมหาชนชวนกันชำระมราคาเพื่อจะเชิญสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงพระนามชื่อว่าที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จบทจรเข้าไปสู่พระนครอมรวดีจับเดิมแต่สุทัศนวิหารพุทธาที่วาดนั้นเอกังประเทสังคเหตุวา พระสุเมธดาบทก็เข้ารับอาสาถือเอาประเทศอันหนึ่งด้วยลำพังตนในเมื่อมรคคาที่พระสุเมธรับอ า, าสาชำระนั้นยังมิทันที่จะสำเร็จก็พอจวนเพลาแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพระสุเมธดาบทก็ทอดพระองค์ลงกลางสะพานล่าซึ่งหนังเสือลงเหนือเปลือกตมส่วนสมเด็จพระธีปังกรบรมศาสดากับทั้งพระสา ว, วกสงฆ์ทั้งปวง ก็เสด็จเป็นเหนือสรีรากายแห่งพระดาบดสมเด็จพระสุคตจึงทรงพยากรพาสิทธว่าพุทธังกุโรเอโสพระดาบดผู้นี้เป็นหน่อพุทธังกูลบรมมโพธิสัตว์จักได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามชื่อว่าพระโคโดมบรมครูในที่สุดสี่อสงไขยกาไรแสนมหากับในอนาคตตการ อปรพภาเคเกรั้นยืดไปในอปราภาคสมัยเบื้องหน้าแต่สมเด็จพระธีปังกรบรมศาสดานั้นมาพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้ลัทธยาเทศมาแต่สมเด็จพระพุทธเจ้า24พระองค์มีพระโกลนัญญาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจนกระทั่งถึงพระพุทธกัสปะเป็นปริโยสารพระองค์ก็ยังพระสมณติิงสะบารมี30ให้บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่อง แล้วและทรงดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสละพระราชบุตรและพระอัครมเหสีและบำเพ็ญซึ่งมหาทานบารมีอันใหญ่ยังแผ่นพระสุท้ายให้กรรมปนาการวันไหวสิ้นวาราสามครั้งในการเมื่ออวสานสุดสิ้นพระชนมายุจุติจากชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ไปอุบัติบังเกิด เป็นสันตุสิทธิวบุตรในดุสิตพิมานดำรงอยู่ครบจำนวนท้วนพระชนมายุการกำหนดเพียงไรในดุสิตพิภพนั้นแล้วและเทพพยาดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมาสันนิบาตประชุมชวนกันวิงวอนอาราธนาเพื่อจะให้ลงมาตรัสเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาซึ่งปัญจมหาวิโล ก, ก น, นาหประการ แล้วก็ทรงรับอาราธนาแห่งเทพพยายดาทั้งปวงตะโตจุโตครันจุติจากเทวสถานพิมานมาศก็มาถือซึ่งปฏิสนธิชาติในมาตุคับโพธรแห่งพระมารดาในศักยตระกูลสมบูรณ์ด้วยมหาสุริยสมบัติในกรุงกบิลพั์ราชธานี ถึงซึ่งเจริญพระชนมพันษาโดยอนุกรมลำดับแล้วพระองค์ก็ได้ราชาพิเศษสวยสวรร ญ, ญาที่ปฏิรัชชาศิริในปร า, าสาททั้งสามสมควรแก่อุตุสมัยสามฤดูดุจเทววิมานในอมรอแมนสวรรค์ในสมัยปางเมื่อเสด็จไปเที่ยวประพาศเนราชวโนทยานได้ทรงทัศนาการเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่ชรา คนโรคาพยาธิคนตายวายชีวิตโดยลำดับลำดับก็สลดสังเวชพระหาฤทัยครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตในวารักคำรบสีกก็มีพระหาฤทัยน้อมไปในที่จะออกทรงบรระชาเพศเห็นอนิจจังสังเวชในพระหาฤทัยจึงเสด็จไปยังสวนพระราชอุทยาน สเสด็จพระพาศสาราญราชหาราลไทยสิ้นทิวสภาคสมัยส่วนแห่งวันแล้วสเสด็จประทับแทบริมฝั่งมงคลโบกขรณีทรงประดับกายด้วยทิพยะอลังการสันพาพรวิภูสิทธิ์อันพระวิณุกรรมเทพบุตรหากนิรมิตเพศเป็นนายช่างกลระบกลงมาประดับพระกายถวายแด่พระองค์ได้ทรงสดับสารว่าพระราหุนราชโอรสประสูตร และสงทราบซึ่งความที่พระองค์ทรงพระสเสนหาอาัยในพระราชโอรสมีกำลังจึงทรงพระจินตนาว่ายาวะอิทังพันทนังเครื่องผูกเครื่องจำคือความรักในพระราชบุตรนี้ยังไม่ทันจะผูกพันจำจองอัตมะได้ตราบใดอัตมะก็จักตัดจักฟันเครื่องผูกพันนั้นเสียให้ขาดตราบนั้น ครั้นทรงพระดำริแล้วก็ เ, เสด็จกลับคืนเข้าสู่พระนครณนะเพลาสายันหัสมัยได้ทรงสดับซึ่งพาสิทธิคาถาแห่งพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระราชธิดาแห่งพระเจ้าอากล่าวว่านิพุตตานูณะสมาตาเป็นอาทิชนิจึงเปลื้องแก้วมุกดากเครื่องประดับพระสอออกพระราชทานด้วยทรงสันนิฐานว่า นางมหาประชาบดีโคตมียังอัตมะให้ได้สดับซึ่งบทว่าดับแล้วดับแล้วหรือนิพานดังนี้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศสถานแห่งพระองค์ทรงสถิตนั่งเหนือพระบวรมหาสิริสยณนอาจทอดพระเนตรเห็นวิปวากาลแห่งนางสนมหน้าตาอิทีทั้งหลายอันอยังลงสู่นิทรารมไม่เป็นสมฤดีนอพระชิ น, นศสี ก็ให้มีพระหาหรุษไทยเหนือหน่า ย, ยิ่งนักสเสด็จอุปปาการจากมหาสุริสยาาดหลุกนายชันนะอมาตให้ลุกขึ้นผูกม้ากันท ก, กะอัศวราชแล้วเสด็จขึ้นสู่หลังม้ากันท ก, กะมีนายชันนะเป็นเพื่อนสองแวดล้อมด้วยฝูงอมรเทพพาดาทั้งหลายในหมื่นจักววาลเสด็จออกสู่มหาพีเนกขมมะบรรพชาแทบริมฝั่งแม่น้ำอนโนมานาที ครั้นทรงบรรพชาแล้วก็เสด็จไปยังกรุงราชครืมหานครโดยอนุกรมลำดับเสด็จเที่ยวไปทรงบาทนักภายในพระนครได้จังหันพอเป็นยาปนามัตแล้วเสด็จออกมาทรงนั่งกระทำพัฒกิจแทบเงื้อมเขาบันดวะบันพตพระเจ้ากรุงมคธราชากเสด็จออกมาเชื้อเชิญด้วยมหาสิริราชสมบัต พระองค์ก็ทรงขัดพระราชองค์การห้ามเสียซึ่งคำเชื้อเชิญ น, นั้นแล้วและกรุงมคตราชบรมกษัตรินั้นก็ทรงถือเอาซึ่งคำปฏิญาณเพื่อพระองค์ได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วและให้เสด็จมาสู่แว่นแหวนแห่งพระองค์พระมหาบุรุษราชทรงรับปฏิญาณแล้วก็เสด็จเข้าไปยังสำนักอาลาวระดาบทและอุทกาดาบท ครั้นไม่ได้ซึ่งท ร, รมวิเศษอันเป็นเหตุจะตรัสรู้พระอนุตตราสาัมมาสัมพธิยานในสำนักแห่งดาบททั้งสองนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งไว้ซึ่งมหาประทานวิริยภาพความเพียรอันใหญ่สิ้นหกพรรษาวิสาขาปุณนณนีที่วเสครั้นวันไพสาขาปุรณมีเพนเดือนหกเพลาเช้า พระองค์ก็ทรงสวยข้าวมาทุกปายาต์อนนางสุชาดาถวายเสร็จแล้วสเสด็จไปลอยถาเสียงพระบารมีที่แม่น้ำเนรัญชราวีตินาเมตวาสเสด็จประทับยับยังอยู่ด้วยน า, นานาสมาบัติทั้งหลายใกล้ฝั่งเนรัญชรานาทีสิ้นทิวสภาคส่วนแห่งวันครั้นเวลาสายยันตะวันคล้อย ก็ทรงรับเอากมย่าคาอันโสธียาพราหมณ์นำมาถวายพญาการนาคหากขึ้นมาสรรเสริญพระคุณของพระองค์สมเด็จพระจอมุนีวง์องค์มหาบุรุษราชาจ้าจึงเสด็จขึ้นสู่ควงไม้พระมหาโพธิ่พกสมนทนลาดลงซึ่งย่าคากระทําสัตยาทิศฐานย่าคาแปดกรรมก็บรนดานบังเกิดเป็นรัตนาบาลัง ตั้งอยู่ณภายใต้ต้นธุมราชามหาโพธิพฤกษมูลหนอพระพุทธทังกูลก็ทรงกระธรรมปฏิญาณว่าจิตตั้งนวิมุตติสติจิตของอาตมะยังมิได้วิมุตหลุดทอนพ้นพิเศษจากอาสวะทั้งหลายเหตุเบญจขันอันตัญหาและอุปาทานไม่เข้ายึดมั่นตราบใดอาตมะก็จักมิได้ทำลายเสียซึ่งอุรุพันธบนลังอันนี้เลย ครั้นทรงกระทำปฏิญญาอธิษฐานมั่นในพระไทยชนนี้แล้วก็ทรงนั่งบายพระพักเฉพาะต่อปุริมทิตตะวันออกสุริเยอัดถังคมิเตเยวะครั้นเมื่อเวลาพระสุริยะทิพากรจวนจะใกล้อาสดงคตตลอดลับเหลี่ยมเขาพระเมรุมาตรสมเด็จพระมหาบุรุษราชพระองค์ก็ทรงกำจัดเสียซึ่งพญามาราทิราช กับทั้งมารเสนาให้ประาศนาการหนีไปครั้นล่วงเข้าเวลาปฐมยามพระองค์ก็ได้บรรลุบุพเพนิวายานประลึกชาติในหนหลังได้ครั้นล่วงเข้ามาชิมายามพระองค์ก็ยังจุดตูปปาตายานคือปัญญาที่ยังรู้ซึ่งจุติปฏิสนธิให้บังเกิดครั้นยามอันเป็นปัจฉิมที่สุด พระองค์ก็อย่างปัญญาลงสู่ปัจจายการ12ประการคือปฏิจจสมุปบาทหรืออิทพปัจจยตาอุรุนุ ค, คมนสมเยรันเพลารุ่งอรุณโนไทยพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานอันประดับด้วยพระคุณทั้งปวงมีทศพลายานและจะตุเวสารชยานเป็นอาธิ